ทั้งหลายป้าี่คุณแม่กจตุรัยหลังจากพักเรียบล้วก็เริ่มคุยกันใหม่ไม่ลืมว่าท่านฟูฟังทั้งเล่ฟูฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีผู้ฟังข่าวต่อๆกัก็ดีเพป่ดทราบว่าเรื่องนี้เป็นนิทานว่าถุนนิทานทั้งหมดห้ามเชื่อเพราะท่านอยากจะเชื่อกับป็เรื่องวัน่นให้ทราบว่าเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่สร้างขึ้น ว่าธรรมะในเรื่องที่เป็นเรื่องการเป็นเรื่องนี้ต่างการอย่างเดียวคือธรรมะเป็นว่าธรรมะคนหนึ่งที่เจ้าส อ, สอนเป็นหมวดที่สามเ ก, กมินกรรมฐานคืออัตพิญญาสมาบัติอันนี้เป็นปีจริงแต่เรื่อจุดหลักแต่พิญญาเล็กที่ว่าโมโนยิทธิอิริจ้าทางใจทางกายไม่มีจะไรไหนได้ให้ใจไป คุยแค่ก็แล้วกันนะแต่ปะก็เป็นเรื่องที่จะไ like ล่ไกลกับแม่แต่จุไรก็ที่คุยกับแม่ก็ค้างอยู่นิดหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเรื่องคนที่ถ่ายจินตยัยเพื่อถามว่าคําว่าอาจินตาความวม่าอย่างไรคุณแม่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่องนี้ไม่ ค, คิดว่ามันจะเอาอะไรก็ได้ถ้าเรื่องจริงมันก็ได้ เอาเรื่องไม่จริงก็ได้เอาสิ่งที่มีแล้วมาก็ได้สิ่งที่ไม่มีมาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่เรื่องดาวดวงดาวมีจริงแต่ว่านัดเย็นดวงอาจจะไม่ได้ซารอนดาวอาจจะมีก็ได้ตามคุณิติของแต่ว่าพระเจ้าจะยอมรับว่าดาวจำนวนมากในเมือกทาตไม่ใช่ทั้งหมดมีสิ่งที่มีชีวิตมีคนบ้างมีสัตว์แล้วมีคนไม่มีสัตว์บ้าง มีความเป็นอยู่มาตกาโลกธรรมดาที่เราอยู่บ้างอันนี้มีแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกพระสุขพระพุทธเจา้ามาตรไว้นี่พวกเราคูยกันเองฉะนั้นก็เถียงในโลกที่มีชีวิตจริงมีสัตว์จริงไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ก็จะหั่งเขาถ้าใครรับว่าโลกที่มนุษย์มีสัตว์จริงก็อยากจะก็จะยืนยันกเราเรี่ ย, ย, ายวามทุกสิ่งทุกอย่างทื อ, ท อ, ทอเในเรื่องของนิทาน คุยกันไปแก้ ว, ว่างหลังจากนั้นไปจุไรกับแม่ก็ชวนกันชมโลกพระสุขไปชมส่วนหน้าของโลกพระสุขเกเห็นว่าใกล้ด้านหน้าจริงๆมีความร้อนมากแต่ก็ไม่ใช่ดินถูกดินเผาจนแดงฉานไม่เห็นดินเป็นผานเป็นแต่ว่ามีความร้อนสงูง แล้วก็เรื่อยๆกัไปจนทั่งใกล้จะถึงถึงกลางก็ยังมีความร้อนสูงอยู่บ้างตามสองคนพอถึงส่วนกลางของดงเมื่อโลกผัสุกตอนมันเริ่มมีความอุ่นอุ่นเรื่อยๆกัไปจนะทั่งมีคนมีสัตว์มีต้นไม้รากไม้เรื่อยๆไปทั้งสุดท้ายก็มีหิมะมา ก, มากหีมะทั้งหลายที่จับจำใบบใบหญ้าใบไม้ก็ตาม ตอนท้ายสุดรู้สึกว่าเป็นน้ำแข็งเวลาต้องสสงอาทิตย์ก็มีความแผ่วๆดวงความวัดดวงโลกเขาก็สุกจริงๆส่วนหนึ่งเป็นโลกโหรลนเวลาต้องสสงอาทิตย์ก็ไม่มีแสงแผ่วๆอีกส่วนหนึ่งเขาโลกประสุกมีหิมะมีรบกายมีฟมีเม็มีน้าก็กลายเต้องสสงอาทิตย์ก็เป็นรบกายแผ่วๆระยะ ฉะนั้นเท่าที่คนเห็นโลกประสุกเมื่อเวลากลางคืนมีแสงสว่างก็าอาจจะมาจะแสงสองจุดคือหิมะหรือก้อนน้ําเล็กๆที่ลอยอยู่รอบๆโลกประสุกอันนั้นถ้าพระาทิตต้องแสงต้องแสาทิตย์เข้าก็แพ่วไ้ถึงลูกตาเราได้เรืร่องการหนึ่งถ้าหากว่าพระทิตย์สองแสงก็ถึงโลกประสุกตอนท้าย เขาแค่แสงในความร้อนไม่ถึงแน่แสงก็แผวพาไปในยับถูกต้องน้าต้องกระแสน้ำเข้าอย่างนี้เราอาจจะเห็นส่วนสว่างในส่วนนี้เขาโลกพระสุข ก, ก็ได้่นโลกพระสุขที่เรามองจากโลกมนุษย์คือโลกจุลโพยินที่เป็นแ ส, นสงสว่างกว่าดาวดวงอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาด้านหน้ามองหาแกท่ธาต่มีความสำคัญ ให้อาสาอาศัยตาที่ไม่เห็นเนือ้อก็มองดูตามจุด ต, ต่างๆส่วนของความร้อนมีส่วนมีแร่ธาตุต่างๆมากแตเรื่องแร่ธาตุนี่บรรดา ล, ลูกเล็กทั้งหลายไม่ควรจะคุยกันเพราะเรื่องพระสุกก็เดินดา่าพระเจ้าแรกที่มีมีประโยชน์ตรงนั้นคุยแล้วเราก็ไม่ได้อะไปยาวทองคํทาทองคําก็มีมาก แล้วแร่เงินแร่เงินก็มีมากแร่ทองแดงก็มีมากแร่ทุกอย่างก็มีแล้วก็ยังมีแร่ที่ไม่เจอในโลกอื่นๆมีได้แร่หนึ่งจุดนี้มีคุณค่าสูงแข็งเป็นแร่ธรรมดาแต่ว่ามีสีใสใคล้ายกระจกแต่ไม่ใสไม่ใสมากเกินไปนักถ้าใสมากใครกระจกจะไม่ใสเพรมองด้านหลังทนลุ ท่านแม่กับลูกต้องสองคนเกิดความสงสัยแร่ประเภทนี้ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ดูสภาพของแร่จริงๆคล้ายๆไม่มีพิษแต่เมื่อสงสัยก็ถามพระท่านขอใช้คำว่าพระเฉยๆพระท่านยืนอยู่ข้างหน้าท่จะบอกว่าแร่ประเภทนี้มีพิษมาก เมื่อในด้านสันติก็มีประโยชน์มากในด้านทำลายมีจุดทำลายสูงสุดสูงมากทีเดียวถ้าใช้ลังสีเครื่อแรกประเภทนี้ใช้ในการขับเคลื่อนก็ยังจะมีความเร็วสูงใช้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้ามีความรู้ถึงแต่ใช้รัศมีะนี้จะลังสีในการทำลาย วัตถุธาตุหลายวมตถุลักษณลังสีของแร่ประเภทนี้เขาจะลายละลายทันทีทันใดแม้เดเหล็กก้อนใหญ่ก็ไม่เหลือมีความแรงสูงสุดกว่าแร่ในโลกอื่นแต่ท่าสองแม่ลูกก็มองไปไม่เห็นล่องรอยในการใช้ก็ถามพระทันว่าชนชาวโลกแถวนี้เขาใช้หรือเปล่าพระตัวตอบว่าโลกพระสุข เขาเขียนว่าสุกระแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบถ้านบอกว่าอย่างนั้นท่านคงจะแปลได้ถ้าไม่แปลท่านบอกให้ถือว่าเป็นสุ ข, ขะเปอสเสือทะลุขอไข่เป็นโ <c oughs> ลกที่มีความสุขจริงๆมันแร่ที่เป็นโทษเขาจึงไม่ใช้ท่านกายก็ดีเราไปดูในกลุ่มคนกันดีกว่า ท่านนำหน้าแม่ลูกทั้งสองก็ตามหลัง <c oughs> เข้าไปถึงแดนที่มีความอุน่นมีความร้อนจล้ายๆตะวันออกกลางของเมืองมนุษย์ในแถวนี้มีคนผิวดำรอใสายความร้อนก็รู้สึกว่าจะดำเป็นเมือกทุกคนดำเป็นหมดแก่เครื่องแต่งกายของเขาทุกคนจะมีเหมือนกัน นี่เป็นประเทศประเทศหนึ่งเพื่อแต่งกายด้วยผ้าสีะจางเกงยาวเสื้อแขนยาวกางเกงก็ขายาวต้องมีแถบสีขาวเหมือนกันหมดถ้า <c oughs> สำหรับผู้ชายสําหรับผู้หญิงก็นุ่งเป็นผ้าสโร์สาหรับรองเท้าสวมเหมือนกันหมด <c oughs> ผ้าสโดงที่นิยมใช้ มปนเป็นผ้าสีจะมอมอจะขาวก็ไม่ขาวเหลืองก็ไม่เหลืองมีเป็นตาตาเสว้เสื้อนิยมเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็บางไม่ใช่แขนยาวเหมือนกัน <c oughs> สำหรับศิษะทั้งสองพวกคือทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่โพกผ้าสาเรียกว่าไม่โพกผ้าเหมือนแขกแต่ว่าจะใช่หมวกประเภทหนึ่ง ท้ายก็บอกเขาทหารคนร่มแต่ว่าไม่เหมือนนักคร่มทิศเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเบิกเขาจะมีจีบสีสันวันณะสวยผู้ชายจะเหมือนคล้ายกับเบิกของคนร่มแต่ไม่เหมือนนักแต่เรียกว่าเชิงยาวกว่านิดหน่อยท่านดูอาชีพของคนพวกนี้คนพวกนี้มีความสุข การประกอบอาชีพจริงๆเป็นลำเป็นสันหายากร้ามองไปดูขณะนั้นเห็นว่าส่วนใหญ่ดิดสีตีเป่าสนุกสนานกันมีความเร่งเร็วไปมองการประกอบอาชีพจริงๆก็เป็นชาวไร่มีปลูกต้นมาต้นมารากไม้สัตว์เลี้ยงก็มี มองไปดูสัตว์เลี้ยงโคก็มีควายก็มีหมูก็มีไก่ก็มีมีอะไรนกมีเหมือนหมือน ก, นกนเราตําเลืกวันแต่ว่าที่นั่นเขาก็มุกเหมือนกันขั้นไปพิจารณาไปเดินใ ก, กล้ๆพิจารณาไปทีว่าชาวบ้านนี้เขามีสัญลาัการสารตัดสินไหมมีอะไรไหม ก็ ป, ปลายกูมาดูแลเห็นเป็หมู่บ้านธรรมดา <c oughs> แต่ว่ามีความสวยสง่างามมีความสะอาดคนมีความสุขสาราญมากก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะทันสมัยอยู่กันแบบไทยๆืออยาแบบกันเองเดินเข้าไปใกล้ด้านทิงความหนาวคือกลึ่มระหว่างร้อนกับหนาวหนาวเหม็นหมากนัก ก็ไม่ค่อยจะมีความร้อนความร้อนมีบ้างแต่พอสมควรในเขตนีรู้สึกว่าเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีไฟฟ้าสว่างสวัยบ้านเรือนเป็นระเบียบถนนห้นทางดีลอ <c oughs> งความเดินไปรอบๆในกึ่งกลางของโลกโซนนี้มีสภาพคล้ายคลึงกัน มีความเจริญรุ่งเรืองมีแม่ น, น้ำมีทะเลมีมาหาสมุทรมีเรถยนกลไฟเหมือนกันขั้นเข้าไปดูยานพาหนะพิเศษรถมีแต่รูปร่างของรถรถยนต์ไม่เหมือนรถของเราเจอเป็นรถคล้ายๆรถสมัยเก่าหน้าม่อสูง <c oughs> แลวก็ล้าก็โตวกว่ารถของเรา สภาพกองล้อคล้ากับกงเกวียนถ้าพูดจริงๆก็เป็นแบบคล้ายๆรถลุกของเราสมัยเก่าห <c oughs> ลังจากนั้นที่สูงตังหลังไม่ครูมลดถลกของเราเขาปล่อยโปร่นั่งวิจิตรคนเราหลายหลาคนเขาไม่มีสป็นลถเต่าบ้านเราถนนทางมีความราบเรียบ <c oughs> แต่สิ่งหนึคิดมองไปได้ที่จะรับไม่มีทหาร คนนี่แต่งตัวจะหายตำรวจไม่มีความแล้วไม่ต้องเคร่งแบบของเราเป็นเครื่องแบบเพศไหนก็ตามแต่เท้าวุฒิยามอยู่เย็น ย, ยามนะครับป้อง ก, กันอันตรายก็ตามหรืว่าเป็นการป้องกันเขตเพศก็ตามยามประเภทนี้ไม่มีเมื่อมีความสงสัยเสาแม่ลูกก็ลงไปไต่กาศว่าจะคนกลุ่มหนึ่ง กำลันนั่งเล่นตุ๊กตาและเล็กและมีตาตางั้นบางทีก็คล้หมักรุกของเราแต่หมากรุกเขาไม่เหมือนของเราเขาทําเป็นตัวคนบ้างทําเป็นตัวสัตว์บ้างตัวจริงๆแล้วก็ภายท่านด้านใต้ของตัวสัตว์นั้งและตัวหมักรุกอะไรกัน <c oughs> ด้านใต้เขามีล้อเวลาเขาเล่นเขาไม่ขกเมืาโลกเราเขาใช้เลื่อนไป จริงๆแล้วก็ช่วยเขาเล่นเขาเล่นหมารุกตนเองคิดเอาอย่างนั้นเทียบเอาเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบใน่ํานวนคนที่นั่งอยู่นั่นก็มีคนท่าทางเป็นผู้ใหญ่อยู่หลายคนสักคนแม่ลูกเอาไปก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายของเราเขาต้องเห็นเพียงเท่านี้นร่างกายทั้งสองึงก็มีสภาพหนา เ, าเห็นเป็นร่างกายของมนุษย์ธรรมดา แต่ว่าคนพวกมั้นเขามองมาเขาจะแปลกใจนิดหนึ่งเพราะรูปร่างมนันไม่ของเขากับของเราไม่เหมือนกันคําว่ามันเหมือนกั น, กนหมายความมีแขนมีขามีหูมีตามีปากเหมือนกันแต่หนึ่งผิวพัน์ต่างกันของเขาผิวพันธ์จริงเป็นคนเนื้อเต็มทั้งหมดเนื้อนะ่ะส่วนร่างกายผิวนวนมากไม่ใหญ่เขาจ้วงเขานวลนว น, น, วน และก็สภาพร่างกายขุงคนสมบูรณ์แบบทุกอย่างมองไปจุดนั้นก็ดีใช้ใจมองไปจุดทั่วโลกก็ตามเขาไม่มีคนผอมก็ย่อมแย่เหมือนโลกของเรา <c oughs> ร่างกายสมบูรณ์ทุกคนหน้าตายินมแย้มแจ่มใสเข้าไปกล่ยกมือไหว้เขาแล้วก็น้อมศรีรษะกรงเขาก็ทราบว่าทาความเคารพ แต่พวกเขาที่นั่งอยู่สี่ห้าคนเขาไม่ยกมือไหวรับเขายกมือซ้ายข้างเดียวแ้วกลมศิดสะรับนิดหน่อยก็ไดร้รับการทรับทำการความรถเขาก็ถามเป็นภาษาของเขาแปลว่าใช้กำลังใจที่เป็นทิพย์ก็ฟังออก <c oughs> ล้วก็ถามว่าเธอมาจากไหนคุณแม่ของจไลไยก็ตอบว่าฉันกับลูก มาจากโลกชมพูคขาว่าถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหนถ้าสองคนแม่ลูกก็ชี้ดูโลกชมพูเกิดรายกฏว่าเห็นแสงแพรว์แพร ว, พรวพร์เป็นยับแต่ก็ไม่สุกรงเท่าแสงของโลกประสึกที่เราเห็นเป็นดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งรออยู่ด้านทิศตะวันออกของท้งโลกประศึก <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่าทั้งสองคนลูก มาเจะาโกชจมูมาได้ยังไง <c oughs> ชโลจมูมาที่นี่ต้องใช้อพานะไหม <c oughs> แม่ของเดรย์ก็ตอบว่าไม่ได้ยานมานฉันลอยมา <c oughs> เขาถามว่าคนโูกจมพูตัวทุกคนเลยแม่ก็ตอบว่าไม่ทุกคนชาวโลกชมูมีว่าสองตัวคือว่าตัวในกับตัวนอกถ้ายังมาที่นี่ถ้าคนที่กำลังมาก ก็ได้ปัญญาสมาบุญใหญ่ <c oughs> ก็จะชาติจะมาตัวในตัวนอกไอ้คนที่มีกําลังน้นอยๆอย่ากแสวงกำลุเอาตัวนอกมาไม่ได้ <c oughs> มาได้เฉพาะตัวในก็เขาก็สงสัยว่าตัวในตัวนอกอยังไงคนแม่ของจุลัยก็ตอบกเขาว่าคําว่าลอกก็ตัวที่มีไม่มีหนังอย่างท่าน ถ้าจับแล้วมีความรู้สึกรถมีความรู้สึกซ้ําท่านจับตัวของท่านดูทีหรือเขาจับตัวอ้ท่านบอกกูว่าคุณแม่คุณจุลัยก็ว่าที่จับถูกนั่นคือตัวนอกมือที่จับก็เป็นมือตัวนอกขาของคนที่ท่านจับท่านก็เป็นตัวนอกเนื้อก็เป็นเนื้อขป็นตัวนอกหนังก็เป็นหนังเป็นตัวนอกแต่ตัวในเราเห็นได้เคลื่อนไหวหได้ ถ้า จ, จับจะไม่มีความสัมผัสเหมือนกับจับอากาศเขาก็ย้อนถามว่าเธอเท่าที่เธอมาทั้งสองคนเอาตัวในมาได้ตัวนอกเขาย้อนถามคุณแม่ของยุไนไรก็ตอบว่าเอาตัวในมาเขาถามจะลองจับได้ไหมคุณแม่คุณยุนไลเขาบอกคนเขาก็เอามือมาจับมาจับต้นขาของคุณแม่ ข, ข, มมาามาาขุณยุไหนหรไรแล้วใครก็ประปมือเข้าชนกัน หัแม่มือก็นี่ทั้งนรืเขามาแปะ ก, กันเขาก็ตกใจเพราะว่าถามว่าเนื้อของเธอไม่เนื้อเวลาเธอรู้กับฉันเธอมีเนื้อถ้าไมมีเนื้อแต่เวาลาฉันจับฉันไม่รู้สึกว่าเธอมีเนื้อคุณแม่คุณยายก็ตอบว่าฉันบอกแล้วว่าฉันเอาตัวมาใครว่าถามว่าคนโลกสุขจะมีคนยในตัวนอกมันโลกชมพูไหมคุณแม่คุณะไรก็ตอบว่า ไม่ว่าโลกไหนก็มีตัวนูนนอกเหมือนกันเขาก็ถามว่าเขาอยากเชิญศึสนาเรื่องตัวนอกตัวไหนอยากจะตัวไหนไปใช้บ้างและประเไหนก็ได้เ้าก็ถามแม่คุณจุไรบไอกว่าไปโลกไหนมาคุณแม่ก็คุณแม่ก็เทีม่มาที่จุ ไ, ไรเพไาะจึงตอบคุณลุงที่จุไรก็บอกว่าไปเที่ยวแล้วหลายโลกโลกที่หนึ่งที่ไปก็โลกอาทิตย์เขาฟังแล้วก็ตกใจ ก็ถามว่าไม่ร้อนหรือก็ตอบว่าไม่ร้อนเอาตัวไห้ไปไม่ร้อนเข้าไปใจกลางโลกอาทิตย์ก็ได้ข้างในก็ไม่ร้อนไปโลกที่สองก็โลกจันโลกที่สามก็โลกเจ้าขาโลกที่สี่ก็โลกพรพุทธโลกที่หก็โลกราตแล้วก็มาโลกที่หก็คืโลกประสบก็ได้ตอบว่าคุณโลกตมโูนี่เก่งจริงนะคุณเองจุลไรก็ถามคุณหลวงแบบคุณหลวงเจ้าขา ฉันขอรัดตต่ความว่าเวลาไน้อยต้องรีบ ก, กลับอยากจะทราบว่าในประเทศนี้มีทหารไหมเขาัลางไรกับหลอกตับแปลกแต่เขาถามว่าทหารเป็นยังไงจุไรก็กลับเป็นว่าทหารเป็นนักรบใจเ้าก็ตอบเขาก็ถามว่าหนูน้อยนักรัเป็นยังไง จ, จ๊ะจุไรก็ว่าเขาถืออาวุธ เลาไม่ชอบใจมาก็รบกันยิงกันบ้างค่าข้างเขาก็สารหน้าว่าโลกนี้ไม่มีนะโลกนี้เนี่ยรู้จักกรรมรบจุลัยก็ถามว่าโลกนี้มีเครื่องบินไหมจะ๊ะเขาก็ตอบว่ามีจุลัยอยากจะดูเครื่องบินคงก็แสนใจดีทั้งห้าคนก็พาไปรู้สึกเดินเร็วมากมีกังครั่งแฝวไปถึงไปถึงตรงเครื่องบินที่เขาจอดอยู่ ไปดูเครื่องบินทั้งหมดไม่มีเครื่องบินรบมีแต่เคงนนะ่งินเชิงวิญญาณพานะจุไก็ถามว่าเครื่องบินเนียวุธิไหมเจ้าข้ขาก็ตอบว่าไม่ทราอาวุธไปทําไมตั้งแต่นั้นเรื่องแรกทา้าวบรรดาท่านฟาร์นลาจะไม่ยอกไม่ขอพูดกันอีก <c> ไ <oughs> รก็ถามว่าเครื่องบินของท่านบินไปดีประเทศเขาก็ตอบว่าในโลกนี้ทั้งโลก มีประเทศจริงๆอยู่สี่สิบสามประเทศเค่งบินประเภศนี้จะไปกี่ประเทศก็ได้ที่ไปถามว่าบ่อน้ามันมีไหมก็ตอบว่าแร่ธาตุที่สกัดมาให้เป็นน้ามันนั้นมีอยู่แต่ว่าโลกนี้ไม่จริงครับจำเป็นต้องใช้เพราะว่ามีแร่ที่ทำตังสีใชแ้แทนน้ามันมีมากมาย จะเครื่องินเกี่ยขับขี่จะบินทนายก็ได้ไม่มีการหมดตธุนะกาลังเขแรกถ้าจะไม่หมดโยไรก็อยากจะนั่งเครื่องบินเขาก็ให้นั่งเครื่องบินลําใหญ่แล้วก็บินไปในที่ต่างๆชมดูลูกผสมส่วนกลางเขาลูกผสมก็ดีส่วนใต้ลูกผสมก็ดีมีต้อมีทะเลมีมหาสมุทรมีนม้ําใสมีปลาใหญ่มีนกใหญ่นกเล็กเหมือนกัน เรื่องความวาสุส่วกลางขาเรื่องความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อเที่ยวจบแล้วขอลันรัดเวลาไปเลยนิดเดียวหลังจากนั้นไปยุไรกับแม่ทั้งสองเวลาคุณลุงทั้งหาง้ากลัวว่าจะไปทนอีกจะพาไปยุไรกับแม่ก็บอกว่าไม่จาเป็นเจ้าค่ะจะไปเองเวลาคุณลุงทั้งสองไปแล้วเดินชมถนนหุนทางรู้สึกมีความราาเริงมาก บ้านเช่ามีคามเลื่นเลื่มาทางด้านที่เหนือเหนือใกล้ยาสุดปรากกรอบมีหิมะหนาจัดมาทิตย์มีความหนาวสูงเจอบบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีขนยาวทั้งหมด <c oughs> สัตว์ที่มีขนเปลี่ยนๆอย่างโลกจมพูลโลกมนุษย์ไม่มีเลยถ้าเจอบควายควายขมยาวควา ย, วา ย, วายป่า <c oughs> เจี๋ยวัววัววัวก็วัวขนยาวลิงข้างขนยาวหมด จะรู้สิ่งสัตว์าหลายมีความแข็งแรงเมื่อนเดินเข้าไปในป่าลึกก็ปลาบมาพบคนในป่าคนในป่าก็เป็นสภาพเหมือนคนป่าจริงๆความเจริญรุ่งเรืองมีน้อยเขามีผ้าหนาๆเนื้อหยาบแล้วก็มีอาวุธที่ถือก็ไม่ใช่อาวุธเป็นจุดแหลมๆด้านหนึ่งมีง่ามอีกด้านหนึ่งมีความแหลม เขาเดินไปสาหรับยันเพื่อนเวลาเจริญพระโธหิมะมอาดูสัตว์กับคนในป่ามันขับเปียนมิ ก, กันจริงๆสัตว์เห็นคนคนเห็นสัตว์ต่างคนก็ต่างก็าหากันที่มองเห็นคนก็ใช้มือเขามาสกลางแล้วส่งเสียงโบ๊เบโบเ บ, โบเบสัตว์ก็มีความเข้าใจว่าสัตว์ตัวใดส่งเสียงอึดอัดเข้ามาคนก็มีความเข้าใจความต้องการของสัตว์ ยูนไลกับลูกกับแม่แม่สองแม่ลูกก็มีความสงสัยว่าคนกับสัตว์ที่มีความเข้าใจกันอย่างนี้ก็นแสดงว่าคนก็ดีสัก็ดีไม่มีความเป็นศัตรูกันยิงยกมือนมัส ก, การพระเป็นถามท่านแต่ล้วทูนถามน้ว่าคนโลกนี้เขาไม่เป็นศัตรูกับมเจ้าค่ะพระเตก็ตาวว่าคําว่าเป็นศัตรูกันสมรับคนที่มีเกลียดย่อมมี แในโลกระสุกนี้คนที่เป็นศัตรูกันได้แรงถึงฆ่ากันทําลายร่างกันกันไม่มีจะเป็นศัตรูกันบ้างเพราะความคือความเห็นไม่ตรงกันเล็กน้อยอาจจะมีความขุนข้องมองใจบ้างแต่ไม่ถึงกับทาลายกันไม่ถึงมีการกันคอยเกันจี่ว่าเขายังเป็นคนสะอาดจนมากกว่าโลกชั่มโพธิ์ถ้าสองคนในโลกยืนถามท่นว่าถ้าอย่างนั้น คนในโลกนี้ก็เป็นคนที่มีบุญมากคุณสนเก่าสนับสนุสนเยอะมากถึงกระตว่าเป็นตามนั้นแต่ว่ายังไม่ดีเท่าเขาโลกสุขโลกพระพุทธยังไม่ดีเท่าโลกรพระพโลกพระพุทธเขาดีกว่านี้เพราะโลกพระพุทธไม่มีสติฉันที่นี่มีสติฐานแต่ว่ามีเมตตาปราณีรวมความว่าโลกนี้คนมีเขมีหานสี่มากแต่ว่าขึ้นชื่องคนที่มีกิเลส ก็ยังมีความเศร้าหมองของจิตบ้างของธรรมดาแต่ไม่มากนักถ้าทะเลาะกันก็ทะเลาะในใจไม่ถึงออกปากด่ากันถ้าไม่ชอบใจกันบ้างก็อยู่แค่ในใจไม่ถึงลงมือลงไม้คนแม่ของจุลัยจึงกราบเรียนถามพระธว่าคนโลกนี้มีอายุเท่าไรจาขาดอายุไขแต่จะตอบว่าคนโลกนี้จริงๆมีอายุสองหมื่นปี เช่นเล่าพระพุทธเขามีความดีกว่านี้เมียอายุั้งแปดหมื่นปีจุไรกับแม่ก็กราบทูลถามนว่าคนที่แก่ที่สุดต้องราอ่าไปยังไงเจ้าค่ะและท่านก็ น, นำไปอีกจุดหนึ่งการไปเป็นของเร็ววันดาท่านปอกฝังกำลังของฤทธิ์เป็นคนที่แก่ที่สุดอายุใกล้สองหมื่นปี มันดูเข้าจริงิงปรากฏว่าคล้ายๆยาสาวกว่าแม่ของจุรไรเป็นคนผู้หญิงพระจตง บ, บอกให้แม่ของจุไรเข้าไปถามเข้าไปถามหญิงคนนั้นถามว่าท่านแกหรื อ, อยังพ้ะก็ตอบว่าฉันแกมากเท่าจหกถามวาอายุเท่าไหร่ก็ตอบว่าใกล้สองหมืนปีเต็มทีอีกไม่ถึงพันปีก็ถึงหมืน่นมาสองหมื่นปีแล้วโลกนี้มีอายุสองหมืนปีไปอยู่ใคร ยุไลอยากจะทราบว่าคนที่มีอายุกเกินสองหมืนปีมีไหมเจ้าคะผู้ใหญก็ตอบว่ามีแต่ว่ามีไม่เกินนักไม่เกินสามพันปีก็ต้องตายอัลลามดาลูกนักท่านหลายและท่านผู้ฟังเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีพูดไปก็คั่วรศษไม่พอก็รวงความจุไลกับจุลัยกับแม่ก็ลาโลกผสมกระตเปียงตอนนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี